ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรม 25 พุทธศักราช 2542 ที่ ก็เป็นเรื่องของมนุษย์น่ะที่จะ โดยอยู่กับสังคมอยู่กับดินน้ำลมบรรยากาศธรรมชาติอะไรต่างๆนานาเสร็จความคิดสร้างความปรุงแต่งปรุงแต่งอย่างนั้นปรุงแต่งอย่างนี้ ฆ่าแกงกันทำลายล้างพรานกันเป็นสงครามสงครามทางธรรมนะเป็นสงครามต่อเนื่องกันอยู่ไม่รู้จักนี่เว้น <โ อ! S 1> ตัวหมากที่เป็นตัวจะต้องมาทําการรบ ก็มันก็ดูดดื่มกันก็กระทั่งแยกก็ไม่ออกก็แล้วแต่เป็นอยู่อย่างงั้นน่ะตลอดนานับชาติอาตมาว่าอาตมามาถึงวัน มีอยู่ทางนี้อ่ะเป็นว่าเป็นเวรแล้วๆเหล่าๆวนเวียนไปเหมือนเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ ไม่การทำร้ายกันการเข่นฆ่ากันการโหดเหี้ยมต่อกัน แค่ไม่สมใจคนนี้ฮะอยากได้ๆบอกๆหน่อยไม่ให้อู้ยปวดจะเป็น ไม่รู้มันอะไรกันน่ะก็น้ําไม่มีดินไม่มีน้ํามันแล้วว่ามนุษย์จริงๆนะมันไม่มีมันจริงๆมันไม่มีไม่มีรูปไม่มีร่าง เพราะตอนเราเข้าใจตรงนี้ได้โอ๊ยชื่นใจได้แหม อ่าทั้ง 8 ห้องเงา 8 ห้องอีก 4 ห้องโอ๊ยไปเกินไม่รู้มันอยู่ไหนลมๆแรงๆน่ะๆแรงๆโอ๊ยสู่เหมือนกันเจ็บปวดก็ไม่มีก็ อ่าทุกข์เจ็บปวดทรมานโทรกรรมสุขก็เหมือนกันอย่างเงี้ยอู้ยสุขเหลือเกินแหมชื่นชมมันไม่ เห็นมันเป็นกิเลสตัณหาอุปทานมันไปยึดไปติดเองอ่าอย่างนี้ว่าสุขอย่างนี้ ไม่ถือมันก็ไม่ทุกข์นะเพราะงั้นจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่เรา เอาเออกรรมกิริยาอย่างนี้สมมุติอย่างนี้ อ่าไม่เป็นสิ่งที่เป็นคุณความดีความงามอะไรเราก็อย่าทําอย่าสมมุติมัน จนไม่ทําแต่ก็รู้สมมุตินะว่าเออมัน มีบทปากิริยาหายใจอยู่กายกรรมวจีกรรมอะไรที่ประกอบขอออกไปมันก็เป็นแต่คุณค่าอยู่อย่างเงี้ยจะอยู่ในโลกนี้ นะจะจะอยู่นะทีนี้สอนลึกลงไปกว่านั้นอีกพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เห็น จะวางดีก็วางได้ พลังงานนี้แม้สามารถเป็นความวิเศษถึงขั้นสูงเป็นอริยะเป็นอริยะอริยจิตเป็นจิตที่เป็นอริยะหรืออริยะวิญญาณเป็นวิญญาณเป็นพลัง ถ้าเราไปหลงดีประยุตมันไว้ว่าเป็นเราซ้อนกับพี่อีกมันก็ยังเป็นเพราะเป็นชาติเป็นเราอยู่อย่าพอปฏิสัตว์ เป็นสัพพจิตตญาณสูงสุดก็สร้างให้ดีหัดวางให้ได้ชัดเจนว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่า คิดได้วางได้เพราะฉะนั้นในขณะปัจจุบันนี้จะจบพลังงานก็ไม่สืบต่อ เหนื่อยดีไม่คุณว่าพระพุทธเจ้าถูกด่ามั้ยขนาดขนาดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังถูกด่าได้ดีสุดยอดวิเศษขนาดนั้นแล้วฝีมือแค่สมณะโพธิรัตน์ไม่ถูกด่างั้นจะไปเหลือ นะเพราะพวกเราจะว่าการถูกว่านั้นมองในมุมดีทิ้งๆๆด่าสาดเสียเทเสียมันไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นอะไรด่าด่าเอาคําด่าๆกว้าง ด่าพ่อแม่ด่าหยาบด่าคายไปๆอ่ะมันมีเหตุผลอะไรดียังไงชั่วยังไงมันไม่พูดเลยนะมันด่าและไปเฉยๆอ่ะอัน นะแสดงพวกตัวจริงของเค้าน่ะอะไรอย่างนี้มันมีประโยชน์คนต้องมีติ อ่าด่าแรงว่าแล้งว่าอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่เค้าก็มีเจตนาดีจริงๆไอ้อย่างนี้ต้องต้องเข้าใจเค้าให้ได้อ่าน่าเคารพมันต้องขอบคุณคนชนิดนี้แล้วมันได้ดีเพราะชนิดนี้อพุธจักรชนิดฉักว่าจงคบแต่คนติเตียนเรานั่นเถิดผู้ที่ติเตียนเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นปราชญ์ที่ติเตียนเราต้องคบคนแต่คนอย่างนี้แหละไอ้คนไม่ มันได้แต่ป้อยอนี่เสร็จเหรอไม่ได้ดีได้ฟองใส่ใครนกกระจอกเทศเพราะ บ้ากันใหญ่ทั้งอหันตมหาไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นอหันตอะไร เสียเวลาไปเป็นชาติมันมีรายละเอียดที่เราต้องขวนขวายศึกษาละ เสียได้กากเสียได้เศษเสียได้อุตตระ คุณก็ไม่ใช่ว่าคุณเป็นอรหันต์หรือเป็นผู้ที่ได้โลกุตตรสุขแล้ว มันจะไปหาไงเงียบไปเปลี่ยนเพศอ๋ออ่าจะยิ้มแย้มอะไรกับ มันก็ไปได้ก็ไปได้มันปล่อยได้ปล่อยไปเท่านั้นแหละแล้วเราก็รู้ความจริงแล้วอ่ะมันไป <t aps> ถ้าอยู่ในโลกมนุษย์นี้เราก็จะเป็นผู้ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ ไม่ต้องเหี่ยวต้องซอกต้องมองอะไรเค้าจะเป็นแล้วก็รู้แล้วใจของเราเราไปเส่าไปเหี่ยวไปมองอะไรถ้าเราเหี่ยวใจเราเหี่ยวใครจริงๆไม่เหี่ยวมันทําไมล่ะไม่ต้องเหี่ยวมันจะ มันจะมายังไงก็คือมันมานั่นแหละแล้วก็ฟังมันก็รู้มันเออแล้วใจเราก็เบิกบานเป็นยัง อ่าเศร้าก็คือเศร้าอาการมันอย่างสดสดสดชื่นเป็นยังไงก็คงรู้กันทุกคนน่ะสดชื่นมันเป็น บอกว่าโลกบอกมันไม่ต้องเศร้าอะไรนี่พอตายเหรอคือมันทําให้ตายหมด ก็คลุ้มค่อนวันเลยชั่วโมงเลยโอ้โหมันยากจริงๆอ่ะเนาะอาตมาก็เข้าใจนะจริงๆ เพราะอาตมาก็เคยยากมาก่อนพอได้ฟัง ก็มาด่าเราแล้วก็เราเซามองเลยพอด่าเราเราถือตัวในเราเซามองใช่มั้ยโกรธไม่ชอบใจคุณมัวแล้วก็บอกเอ๊ะไม่มัวมันทําไมก็เอาแต่รู้ได้มั้ยไม่ต้องมัวโดยรู้นี่จะรู้ชัดกว่ามั้ยไม่ต้องมองไม่ต้องมัวเอาแต่รู้น่ะโอ้ก็ด่างี้เหรอแล้วเราก็ทําสดใสทําสด มันจะรู้ได้ดีด้วยไม่ต้องโม้ๆไม่ต้องให้ คนที่หมดความโกรธอย่างเดียวนี่แหละจะเห็นเลยว่าความสุขใน นะเนกขมะโทมนัสเวทนานี่ก็คือทุกข์ทางโลกุตระคือรู้ตัวแล้วว่าเราตั้งตนจะละกิเลสพอจะละกิเลสเสร็จแล้วเรา มันทําอะไรอีกแล้วพอมันจะโกรธเราก็ต้องกดข่ม นะคือโทมนัสทําเข้าจนกระทั่งง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นทุกข์ก็ก็ค่อยลดลงลดลงจนกระทั่งทําได้สบายสบายเลยทําได้มันยากนิด ถึงขั้นเป็นฌานในระดับ ทุกข์อย่างนี้นี่เรียกว่าทุกข์อย่างโลกุตตระนะต้องรู้จักทุกข์โลกุตตระกับทุกข์โลกิยะทุกข์โลกิยะคนไม่เรียนโลกุตตระน่ะไม่รู้จักหรอกโลกุตตระมีแต่ทุกข์โลกิยะ นี่เป็นเนื้อหาธรรมะที่ให้วันนี้นะพอไปตั้งใจอ้าวถ้าใครฟังธรรมะ นั่นแหละมีมอไหว้สักนิดนึงไหว้คนเดียวอ้าวนั่นก็รู้ ถ้าเราไม่มีโทสะมูลเลยนี้มั้ยอาตมาเคยบอกแล้วไอ้กรรมฐานอ่าอะไรสโลภอะไรอ่ะสโลภ <ม. S 1> ไม่มีคุณโม้ไม่มีคุณโม้ไม่มีโทสะมูลเลยหยาบก็ไม่มีละเอียดก็ไม่มีคุณ นะอย่างนี้มันซับซ้อนอีกทีนึงมันหลายชั้น เพราะเราต้องการนิพพานเราต้องการความสูงส่งเราต้องการความเจริญเรายังต้องการแม้แต่ที่สุด <c oughs> แม้แต่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นกิเลสอยากซ้อน ได้ดีแล้วเป็นแล้วเป็นเองเป็นตัฏฐตาเป็นได้เองโดยไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ มันเป็นอารยวิญญาณแปลว่าวิญญาณอาศัยมันเป็นจิตเห็นมั้ย นึกก็ไปคุณต้องทําดีก่อนให้เป็นอัตโนมัติเป็นชํานาญพอได้ดีแล้วชํานาญแล้ว เล่นไม่มีอะไรเป็นจุดยืนเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ไปไหนไม่รอดมันต้องยึดสมุติดีแล้วทํา เพราะฉะนั้นเจตนาก็เป็นกรรมเป็นวิบากไม่เป็นแต่ไม่เป็นรายเป็นวิบากก็เป็นกุศลวิบากเรามาวางอีกชั้นนึงว่าเรารู้นี้เป็นเราแต่เราอย่าไปฤทธิ์เป็นยึดจะไปยึดเอามาเป็นเราของเราอีกวางอันนี้ได้ก็เป็นตัวสุดท้ายตัดได้เพราะฉะนั้นคนจะ สมบัติเลยโอ้โหใหญ่ยิ่งเลยแต่เราหัดวางมาหัดๆยังไม่มีบุญบารมีเท่าไหร่เอาให้ทิ้ง 1000 เอ๊ะทิ้งดี 10 บาทไปเลยไม่หวงอ่ะก็ 1000 1000 1000 1000 ไม่ ได้ 10 ล้านล่ะอื้อหือต้องคิดก่อน 10 ล้านได้ 100 ล้านล่ะอื้อหือไอ้ 100 ล้านมันไปแล้วเหตุผลเอามาช่วยศาสนาเอามาโน่นเอามานี่ แค่แค่เงิน 10 ล้าน 100 ล้าน 1,000 ล้านนี่เป็นโลกิย มันจึงจะวางได้หมดเพราะฉะนั้นอาตมาพระพุทธเจ้าสุดท้ายท่านก็วางใช้สัมมาสปฏิจจานก็เอา วัตถุของจะเป็นของท่านเองเพราะฉะนั้นมีบุญบารมีไอ้ของท่านเยอะแยะเลยคนนั้นคล้ายๆกับฝากแบงค์น่ะฝากแบงค์วิสานางวิสาขาไว้ฝากแบงค์อนาถบิณฑิกเศรษฐีไว้เป็นเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อ่ารักษาทรัพย์สินของพระพุทธเจ้าเยอะแยะ <c oughs> ไอ้นั่นพอถึงเวลาก็เอามาคืนท่านอนาถาวิตกะเศรษฐีหรือเศรษฐีคนนั้นคนนี้อะไรก็ ทรัพย์สินคันคุณก็จะต้องเอาไปให้เอาไปเสียสละเอาไปสร้างสรรค์เพื่อเป็นบุญของเราที่จะได้อาศัยในอนาคตแต่เมื่อว่าเราถ้าจะอาศัยเป็นบุญนี่นะคุณมีทรัพย์คุณ<อ> ถ้าคุณเอาไปให้กับพระพุทธเจ้าเลยถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้คุณจะทําบุญแล้วก็มีเคารพวาด้วยๆเลยเจ็บป่วยไปก่อนเถอะเราตักบันเอาก่อนเถอะให้พระพุทธเจ้าแล้ววะพอได้บุญราคาแพงกว่าว่างั้นนะใช่มั้ยเออนี่ยกตัวอย่างให้ คนทําอย่างไรพยายามคุณก็ต้อง มันจะยังมีพรุ่งนี้อยู่เลยใช่ป่ะเพราะ เราก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆเราพูดพูดไปก็พูดไม่กล้าที่จะบอกมาทําบุญกับอาตมามากๆเถอะจะได้บุญมากๆไม่กล้าจะจะเห็นหน้าอาตมาไม่กล้าพูดอย่างเงี้ยพอพูดไปแล้ว จะมาทํามากๆก็คนที่ไม่ควรเพราะมันบริสุทธิ์กับกันพอตัดนะเพราะฉะนั้นปฏิภาณของคุณ เพราะฉะนั้นนี้อาตมาจะไม่ว่าเรางูหน้าไม่เทศน์ก็จะต้องแม้บอกบุญอย่างนี้นะอย่างนี้จะได้มากเคียงเพื่อผลประโยชน์ให้คนก็มาเอาเข้า มันน่าละอายอ่ะนะแล้วก็ ที่นี่ก็อาตมาก็ขอบอกให้ทราบทั้งคารวาทด้วยว่ามันก็คงจะ สมณะนวกะก็จะมาเรียน 4 ปียัง 5 ปีมันก็เลยยังไม่มีธรรมณะหมุนเวียนมีแต่สมณะเข้าสมณะออกไม่มีเพราะมันยังไม่ถึงมัชฌิมะ 5 ปีเพราะฉะนั้นก็มีแต่ส่งเข้าไม่ได้ขาเข้านี่สินค้าออกไม่มีเลยมีแต่สินค้าเข้าเพราะงั้นก็ต้องยืม แต่ต่อไปเนี่ยอนาคตมันมีมากเข้าทั้งหมุน 5 ปีแล้วนี่ครบ 5 ปีแล้ว 10 รูปก็จะเดี๋ยวก็ครบมันก็จะหมุนเวียนกันไปได้นะต่อไปอย่าง เราจะเพราะฉะนั้นสถานที่นี้จะเยอะอยู่กันพอสมควรเร ไอ้นี้ก็ดึงเราจมพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าถูกเสือปลาถูกก็ตายน้อยกินตายอยู่ตรงเนี้ยนะเจ้ามันติดมันเสพมันติดนะ จะต้องเตือนตัวเองว่าเราต้องไม่ติดสงบเราจะต้องแก้มุมที่จะติดสงบจมในสงบ า, ะ, ๆ, นะ 2 มุมใหญ่ๆนะแต่ที่นี่ยังบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศของสภาพเอียงมาทางด้านสงบเอียงมาทางด้านสมถะอ่าเรียกว่าอรัญญวาสีอะไรงี้เป็นต้นก็ต้องพยายามที่จะสร้างให้เป็นรูปอรัญญวาสีนะคฤหัสถ์ก็ต้องรู้สัดส่วน การติดรู้ติดทำเป็นประโยชน์แก่ที่อาศัยเป็นเสนาสนะอย่างนี้มีบุคคลอย่าง มีธรรมะอย่างนี้นะอาตมาพูดก็สงฆ์พูดก็ธรรมนะบัชชามีแล้วถ้า 5 ปี เป็นรูปเป็นร่างและพวกเราก็รับ 3 ครอบครัวแล้วอาตมา 3 ครอบครัว อ่อยๆอ่อยมันบอกไม่ ก็อ่าสอดกันไปสอดกันมา 1 <g all> อาจารย์ 1 อาจารย์ 2 อาจารย์ 3 มีแต่เจโตหมด พวกก็ไม่รู้เรื่องส่งข่าวคราวมาเงียบส่งข่าวคราวอะไรมาเงียบมีๆมันได้ไม่ได้เป็นจริงๆมันเป็นคือ Born to be มันจะต้องเกิด หุ่นก็ละหุ่นอ้าวเป็นธรรมดาคุณเจตตัวก็ต้องบึกๆคุณปัญญาก็ต้องอย่างงี้แหละถ้ามันก็จะวิ่งหนีทันนะเป็นเป็นเป็นมันถูกนะก็ก็เป็นนะ นะอาตมาพูดอย่างนี้ก็พวกคุณก็คงพอเข้าใจเราๆนะมันมันมีปฏิภาณนะมีปัญญามีอ่ามีความ พอเป็นไปได้ก็จะได้เข้ามาช่วยทําวางรักษาฐานอาตมาคงจะต้องอาจก่อน แต่อาตมาพยายามจะอิทธิบาทอยู่เพราะศาสนาเพราะศาสนาก็พยายามเอ่อเพื่อที่จะให้มันได้ไปมากที่สุด สร้างตับให้คุณแข็งแรงได้เท่านี้เพราะพ่อแม่ของคุณแข็งแรงก็เลยสร้าง ลูกได้รับกรรมพันธุ์นั้นด้วยแต่ถ้าลูกคนใดมีบุญบารมีเป็นโลกุตระมานะพ่อแม่มีกรรมพันธุ์นี้นะลูกไม่ได้รับหรอกกรรมพันธุ์ทางสรีระลูกคนนี้ไม่ได้รับกรรมพันธุ์ทางสรีระอันนี้ลูกคนนี้มี บางคนอาจจะ 80 90 คนนี้มีบุญโลกุตระจะเห็นได้เลยมันมันจะต่างไปเลยนะพวก เพิ่นจะต้องเตรียมตัวอย่างที่ว่าเนี่ยก็พยายามทางด้านสายนี้คงจะเป็นอย่างนี้แล้ว ยังไม่รู้ ก็แต่เหตุปัจจัยมันจะมาก็ส่งเสริมด้วยว่าต่อ บางก็มาสงครามสงครามให้พวกคุณรู้ว่าโลกมันเหลือขนาดน่ะเค้าเงินเดือนเดือนละ 250,000 อ่าเงินเดือน ดูแล้วมันน่าสังเวชใจมั้ยคนไปไม่รอดใครก็เห็นอยู่แล้วมันก็ก่อเรื่องน่าเกลียดแต่เค้าก็เป็นหนี้โดดทําเค้าก็เป็นอยู่มันได้อะไร ในสังคมที่เดือดร้อนเนี่ยมันเดือดร้อนเอามากมากจนกระทั่ง และประเทศรวยประเทศจนในโลกทุนนิยมโดยแบบเสร็จนั้นเค้าเก่งนะอาจารย์จะนินทร์จะใช้สั้นๆถ้าเป็นอาตมาโอ้โหอธิบายไปยาว รถทางนี้ท่างช่องว่างนี่มันทางระหว่างคนจนคนรวยราย 20% อ่า 20% ส่วนบน พล 6,000 ล้านจํานวน 20% ของของพล 20% นี่เป็นส่วนบน 86% ของรายได้ทั้งหมดใน 20% mm hmm. ทันบนของ 6,000 ล้านเนี่ยไป 86% เหลือ 34% นั้นเป็น 80% ของโลกเหลือ 14% นั้นเป็น 80 80% 20% นี้ส่วนบนถ้าบ่แบ่งสิชั้นกลางอีกเลยเอาไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นลองนึกถึงชั้นใน 14% รายได้ของคนจน 20% ข้างล่างที่ 86% ของรายได้ 20% ข้างล่างที่คุณ 2.3% เนี่ยคุณเถียงกัน แต่เค้าสํารวจไว้บอกว่าแต 20% เขเขเขเข 20% ข้างล่างลดจาก 2.3% ของราย 20% ของ เขาสํารวจไปแล้วก่อน 2.3% ของโลกมันแย่กว่านั้นเหลือ 1.3% คุณก็เถียงกันเมื่อกี้ 4% 5% อะไรก็หยุดใต้แล้วเขาทําแล้วนั่นมีหลักฐานสํารวจบ้าง เขาเหลือแค่ 1.3% ในประชาจำนวนประชากรโลก 6,000 ล้าน 4,000 ล้านคนคือคนที่ด้อยโอกาสอย่าง 17,000 ล้านดอลลาร์ 17,000 ล้าน คุณ 37 คูณเข้าไป หมาแมว 4,000 ล้าน แล้วโง่ตัวเองได้ตัดตัวมาส่วนนึงไอ้พวกคนรวยเสียท่าเค้าล่ะไม่มีเห็นลัดๆอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ ไม่ไปเรื่อยความจริงน่ะขาดทุนตัวเองไม่เคยโดยตรงก็ตามมอบตนในทางไม่ ถูกแทรกสังคมการเมืองมันเตะออกมายากเข้าไปนั่นน่ะมันเตะออกมาเปิ้นอาตมาเนี่ยมีบุญมากจะไปแต่งงานอยากแต่งงานถูกโลกมัน Mm hmm. เออแล้วคือเค้าแต่งงานเค้าด้วยก็จะแต่งอย่างเค้าอ่ะพยายามดิ้นรนเค้าไปหาเกิดเหตุปัจจัยอย่างโน้นอย่าง <laughs> ไม่รู้รังเกียจอะไรอาตมาก็ไม่รู้ฮะเนี่ยแฟนคนสุดท้ายเนี่ยถ้า เสร็จเพราะคุณเธอแหนเธอรอไม่ได้เรื่องเนี่ยมันเป็นบุญแฟนฮะแค่แค่ที่เขา แฟนของอาตมาเนี่ยเค้าไปเรียนอังกฤษเค้าก็เจอกันที่ นะอาตมาอาตมาเค้าไม่รอคนนี้แล้วคนนี้มันไม่ไปพอดีนะคือเรื่องมันเรื่องที่อย่าน้ําเน่าหน้าดูเลยคุณฟังเรื่องหนังจีนแล้วถ้าเนี่ย ปกป้องปิดป้องอีกเยอะเลยอย่างงี้ตอนมันก็เลยโอ้อาตมาก็ นะพยายามมันไม่ได้ คุณจำลองยิ่งไม่ค่อยปฏิปานอมด้วยรับรองอาตมา นะทุกวันมากมายดีแล้วนะนะเนี่ยหลังโลกมันเป็นอย่างเงี้ยนะอาตมาก็ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยถูกบุญทีของมันไม่งั้นไม่อาตมาไปแต่งงานเข้ายุ่งเลยเนี่ยถูกบุญทีไม่ งานอย่างหนึ่งที่เป็นกิเลสเราอยากไปมันที่คนรวยชาติ 4,000 ล้านเหรียญ 3 คนใน มีสินทรัพย์รวมแล้วจะเท่า GDP ของ 48 ประเทศรวมกันรวมกัน GDP หมายความ GDP รายได้ของประเทศอย่างปีนี้งบประมาณ เขาไม่ได้เรียกเป็นประเทศพัฒนาและประเทศไทยเนี่ยยังชื่อว่าด้อย GDP ของประเทศ 40 ประเทศรวมกันหมาย สูงสุด 3 คนรวย 48 ประเทศด้อยพัฒนารายได้ของประเทศ 48 ประเทศนี้รวมกันไอ้ 3 คน แต่ทรัพย์สินทที่ไปนับจากต้นรากยังไม่นับนะปิเกตยังไม่ใช่ผู้ที่มีทรัพย์สิน เพราะฉะนั้นจะรวมสินทรัพย์ตระกูลนี้ยากอีกแต่ก็รวมได้ถ้าจะรวมจริงมัน พวกนี้มันเอาไม่ให้ทีไหนมันตัดยอดไปแต่จริงๆแล้วหมื่นล้านบาทเนี่ยไม่ตก 70% ที่รวยหลาย 70% ที่รวยหลายจดตัวเลขไว้แล้วเออคิดเป็น 72% ของรายได้ทั้ง คุณพ่อคุณแม่ของ 72% แล้วเขาไปเจ้าเป็นนายน่ะเค้ากินเงินของพวกเราหาแท้ๆแล้วก็เป็นเจ้าเป็นนาย <ไ หน? S 1> เนี่ยคือพวกรับเงิน maar het is Kanap in de putten. Het is een naam die ik heb gekregen. Ik heb ik heb gekregen. Ik heb het geheim dat ik heb gekregen. Ik heb het geheim dat dat ik heb gekregen. Ik dat het geheim dat ik heb gekregen. Ik heb het geheim dat ik heb gekregen. อาตมาไม่เก่งทางวิชาการเสียซ้ําถ้าอาตมาเก่งวิชาการแล้ว ให้เข้าใจแล้วรู้แล้วนี่ขนาดนี้อาตมาพาคุณมาคณะทิพย์แล้วล่ะไปตัดสินใจ น่ะพลังกําลังวังชาก็อ่อนแรงแล้ว เราสอนเธอเหมือนจับมือแบไม่มีอะไรเหลือแล้วใครไม่เข้าใจท่านท่านตรัสตอนนั้นน่ะ แล้วคุณก็ได้สภาพนั้นแหละติดไปเพื่อที่จะไปอีกกี่วัตตสังสารของคุณอีกเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็เป็นของคุณก็อาตมาถึงถามว่าคุณทําไมรังเกียจที่จะบรรลุอรหันต์เร็ว เป็นอะไรฮะคุณบอกว่าทําไปแล้วมันเหนื่อยมันเป็นพระภิกษุก็เหนื่อยโอ้คุณก็มีมันทํากับมันยากเหลือเกินนี่น่ะไอ้ บางคนก็จะนึกสงสัยว่าทำไมต้องสร้างต้อง อะไรนะพันห้องอ่ะโลหะประสาทพันห้องที่นางวิสาขาๆจะไปสร้าง กูคิดจะมาจะกินที่กว้างขนาดไหนพันรอบพันห้องมันจะก็เรากุฏิเราอยู่ สมัยนู่นก็ก็รู้ก็ต๊อปเล็ก การรับพอสมเหมาะสมควรพอสมควรเนี่ยทั้งโลกทั้งอะไรมันก็ไม่ไปก่อโลกทีเดียวหรอกแต่มันแล้วตอนแรก แดกโอ้ขออภัยไม่มีต้นไม้แดกมากจากอยู่ทนพอต่อมามีต้นไม้จาก อะไรว่าอยู่กับหมู่ท่ามกลาง มันชื้นมันคลุมจากไม่ไหวแล้วจาก อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเป็นเรื่องซับซ้อนเป็นเรื่องมากเรื่องลึกซึ้งอาตมาก็นานๆก็ค่อยขยายความให้ฟังทีที่อาตมาทําไปแล้วอย่างนี้นี่หยิบที่ที่ไม่ได้ ส่วนความเชื่อมต่อด้วยนะนี่คือการ รอบเราเนี่ยถึงขนาดนี้ทุกวัน <c oughs> เค้าเออไอ้พวกนี้นี่มันก็แปลกก็เสียสละอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่คือ กึ๋ลึกๆแต่อาตมาอะไรอะไรเค้าไม่เห็นอะไรในอโศกเค้าไม่ได้เอาคนมาถึงเชื่อเข้า เนี่ยผู้ว่าสิบะจะลากสูงผู้เอาเอาอยู่ก็ยังดีสัมผัสกันคนครึ่งก็เอาคือวันที่เค้าไปเชิญผู้ว่า เพราะนั่นก็มีมากอ่ะไม่มาติธุระนู่นอีมีน้อยมานึงมาได้ผู้ว่า 40 50 คนก็รวมอ่า 40 กว่า คน, 50 คนอ่ะเท่านั้นนั่นเองเนี่ยมันก็ยากมันค่อยทําความเข้าและโดยเฉพาะระบบบุญนิยมเนี่ยมันจะขอบคู่ทุนนิยมทุนนิยมใน เออกลกระทั่งในท้ายที่สุดแนวโน้มที่จะเกิดอาการแบคทีเรียที่เรียกว่าทุนนิยมกลืนกินตัว มันทำลายโครงสร้างทั้งมัน 48 ประเทศเนี่ยมันมีอยู่ มันเอาไปแจกจ่ายพวกลูกเต้าเหล่าหลานก็มันใช้จ่ายบําเลือตัวเองก็ มันไม่ได้เป็นคนกำไรอะไรเลยเขาไม่รู้ได้เป็นคนกําไรอะไรเลยเค้าไม่รู้ไม่รู้ๆเค้ายืนยันไม่เข้าใจเสร็จแล้วก็ลงเลอะเทอะ ถ้าเข้าใจสัจธรรมแล้วเราจะรู้คุณจะไปที่เราเนี่ยทุนนิยมนี่ก็เป็นระบบแบบใหม่ในโลกมัน อะไรเก่งไม่เก่งก็เท่าไหร่ก็ 17 18 วิชาในโลกทําไมท่าน แน่นอนว่าท่านต้องปกครองจักรพรรดิอยู่แล้วเอาท่านไปแข้งกับบิลาไพก็ตายท่านก็ไปปราบแพ้กุศลได้ใครมาคดใครก็ปราบได้หมดแหละท่านก็เป็นอย่างนั้นได้แล้ว พญากนธัญญะทํานายน่ะกนธัญญะเป็นคนรู้พราหมณ์อีกคนคน 7 คนทํานายน่ะพราหมณ์คนนั้น 2 ทางอีกทางนึงจะเป็นพระพุทธเจ้าคุณจะ ไม่ต้องไปเอาคนอย่างพระพุทธเจ้าคิดหรอกคนอย่างคุณนี่คิดคุณจะเลือกเอาพระพุทธเจ้าหรือคุณจะเลือกเอาไปเป็นเศรษฐีปุทโธปรอมพราหมณ์อีก 7 คนนี้เกิดมาไม่เป็นหรอกจอมจักรพรรดิจักรพรรดิพุทธะ เพียงเหลือเวลากันคนละไม่มากหรอกนะต่อให้คุณพวกคุณสาทุกคอยคุณอายุ 100 กันทุกคน 120 ได้อ้าว พอจะต้องขนขวายเข้ามันสั้นนะอายุมันไม่มากเลยมันไม่มากหรอกสั้นคนเราเกิดมาชีวิต ได้ฟังใหม่ๆเข้าใจสิ่งที่ได้เข้าใจยิ่งขึ้นทิฏฐิมันเท่ากับสงสัยทิฏฐิสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้นอ่าเริ่มใส บอกๆยังไม่ได้ทีเดียว 5 ปีจะมีมัชฌิมะจะมีอะไรเพิ่มอะไรสมบูรณ์สมดุลก็ <c oughs> อ่าอะไรจะดีจะ เรื่องของการพิสูจน์กําลังอันนึงนะพิสูจน์กําลังดูว่าเราจะไป ก็ฮือฮากันไอ้หนนไอ้นี่จะเปลี่ยนมันจะมีเอ่อเหตุหมดนะสังคมข้างนอกเขาสังคมทั้งโลก <c oughs> มันจําเป็นของมันน่ะมันจะลงตัวของมันอย่างนั้นอย่างๆนี่ๆแม้แต่ธรรมชาติ พริษฐ์เดชพอเกิดมาแล้วก็ทําให้โลกนี้สั่นสะเทือนไม่ใช่ ที่อธิบายได้ยากมันจะต้องมาตรงกันมาลงตัวอ่ะแล้วมันจะต้องเกิดจากนั้นอ่าอัน แต่มาก็ตอบไปทุกทีอ่ะบอกว่ามันจะแตก โลกนี้ธรรมชาติทุกอย่างมันก็ไปกับกาละทั้งนั้นน่ะมันก็คือกาละหมุนเวียนไปเดินไปเรื่อยๆถ้าเรามีชีวิตเราก็ มันก็ไร้ประโยชน์ไร้คุณค่าไร้การพัฒนาไร้ความหมายอะไรทั้งนั้น โดยเราไม่มีอะไรเลยไม่ทําดีไม่ทําชั่วมันก็ เราต้องกินเราต้องใช้ก็คือเปลืองอะไรโลกเค้าอย่างน้อยก็หนักแผ่นดินอยู่ตรงเนี้ยหนักแผ่นดินอยู่เฉยๆอ่ะแล้วก็กินหายใจเอาอากาศก็ มันไม่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยเป็นลัทธิที่เปล่าดายเป็นลัทธิที่ทําลายเป็นลัทธิ การเมืองหรือพวกนักพลานบ้านพลานเมืองนักทําลายทําลายอะไรวางแผนแต่จะไอ้จะเอาเปรียบเอารัดจะอะไร ต่อสังคมต่อผู้อื่นต่อสิ่งแวดล้อมต่อธรรมชาติต่ออะไรเราเกิดมาเราควรจะเป็น ให้มันเกิดก่อก่อคุณค่ามากมากมากเป็นประโยชน์คุณค่าให้อะไรต่ออะไรที่ คนอื่นก็ได้อาศัยสัตว์โลกก็ได้อาศัยได้ใช้สอยได้เป็นประโยชน์อันนั้นก็เป็นคุณทั้ง สัตว์โลกทั้งหลายทั้งหลายเออที่สรุปง่ายๆว่าชีวิตของคน 5 ไปสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปหลงตามเค้าเห็นอย่างงี้เอออย่างงี้น่าได้น่ามีได้สมใจเอามามาประกอบประกอบไปหอบมาหาให้แก่ตนเองเป็นของกูเป็นตัวอัตตาอัตตนิยาโลภโมโทสันเอามาอะไรที่เรา ไอ้เป็นตอนหน้าตา จุเนวตัสสงสารนี่จะต้องทดดีเกิดชั่วเกิดมาตกได้ยากเกิดมาผิวพันธุ์ดีผิวพันธุ์สามดีโคตรที่ไม่ จนกว่าจะกี่ชาติกับกี่ชาติก็จะใช้หนี้หมดก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาเกิดมาได้ดีขึ้นมาหน่อยได้เข้าเป็นหมายังไม่ มันไม่ฉลาดพอหรอกว่ามันจะต้องรักษาป้องกันตัวมันไว้อย่าไปเป็นขี้เรือนนะอย่าไป มันไม่รู้หรอกไม่รู้หรอก พวกเราพัฒนามาเรียนรู้มาจริงที่ประเสริฐเรียกว่าอริยสัจเข้าใจสัจจะคือความจริงอริยะก็คือประเสริฐความจริงที่มันมันเหนือชั้นกว่ามนุษย์ธรรมดามาจนมาขณะนี้ โปรดสุดยอดของถ้าใครว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเข้าใจ เสร็จแล้วก็แสวงหามาจนกระทั่งสกิทาอนาคหาอรหันต์ ปะลุโอ้เป็นคนดีอย่างนี้พระกีโอ้โหมีทางรอดจบ ทีนี้ไม่เท่านั้นๆนี่มันจะยอดคนจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง มีความดีความเก่งเพราะว่าคนเราเกิดมาที่ต้นท่านดอกท่านตระหนักชาติแล้ว สาวไปถึงกรรมวิบากต้นๆก็ไม่ถึงแต่เรารู้แล้วว่ากรรมวิบากเป็นอย่างไรกุศลเป็นอย่างไรอกุศลเป็นอย่างไรลึกๆซึ้ง กว่าๆเค้าจะมีอิทธิทธิปฏิหาริย์เค้าจะมีอาเทศนาปฏิหาริย์จะมีอนุสาสนีคําสอนที่เยี่ยมยอดเต็มไปด้วยอรรถธรรมะนิรุตติปฏิภาณอะไรขนาดนั้นท่าน ตนเรียกว่าวิปากกระทุ๊กใช่มั้ยใช่ครับวิปากไปก็เป็นทุกซึ่งเป็นวิบากที่มันตามมา คุณจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ศาสนาอื่นแล้วก็กับพระ <that> <ể days and cuisine> <t errado> เออถามตอบเขาสิเค้าไปอยู่กับข้าพเจ้าแล้วๆไงมันไม่มีเหตุผลอะไรตอบไปเท่าไหร่นะแต่ชัดของพระเจ้านี่ จะว่าจะพุทธเจ้าเจอหรืออาตมาก็เจอศาสนาเป็นเทวนิยมที่เป็นอย่างนั้นอย่างอาตมาก็เจอ อาตมาก็เคยอธิบายสู่ฟังแล้วก็ขอทบทวนอีกนิดนึงของ ขอให้คุณจะอ้อนวอนพระเจ้าพลังภัยพิเศษให้ช่วยเราบ้างคุณเหมือนกับคุณเองคุณไม่ได้หาเงินใส่ธนาคาร 60 ล้านเอามาตีหัวไอ้คนนี้หน่อยคุณมี 100 ล้านคุณก็มีสิทธิ์จะ แล้วเราก็มาเอาอํานาจเงิน 60 ล้านนั้นมันจะอึมัดเท่าไหร่มันมี กรรมจะกรรมคอมิกรรมทายาโทกรรมโยมีของคุณคุณ แปลกมีไหมมีแต่คุณต้องสั่งสมมีแต่คุณต้องสั่งสมคุณต้องทําไว้คุณอยากมีฤทธิ์คุณก็ไปแสดงคุณ ขนาดเบิกใช้ได้บางทียังขัดข้อง เสร็จแล้วสั่งสมไว้ได้มากๆๆๆแล้วแล้วคุณก็จะ จะลองฟังดูดีๆคุณจะเอามาใช้ทัน มันเป็นผลดีอย่างน้อยถ้าคุณเชื่อกรรมชีวิตคือกรรมที่ดําเนินไป คนอื่นก็ดีๆๆไปคนอื่นก็ได้รับสิ่งที่คุณสร้างยิ่งคุณสร้างแล้วคุณก็คน มันไม่ได้เป็นความเสียหายไม่ทั้งตัว ถ้ามันเว้นอีเมจิสัจธรรมมันก็ดีที่จะทําแล้วล่ะมนุษย์น่ะใช่มั้ยมันก็ดีที่จะทําแล้วเพราะฉะนั้น ตถาคตปฏิสถาป ล้างกิเลส อ่ะทํากรรมกิริยากายกรรมของเราพัฒนาให้มันฉลาดว่าเออเราจะมีกรรมกิริยากาย กับคนอื่นมันก็ดีด้วยกุศลอยู่ในเนี่ย มันก็เกิดมันก็สะสมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําอย่างนี้มันก็มีผัสสะ ละตัวละตนเพื่อ ถ้าคุณทําเพื่อผู้อื่นด้วยเอออาชีพได้ขยันทําทั้งทุกบทของมรรคองค์ 8 เนี่ยพัฒนาทั้งการงานอาชีพเพื่อผู้ โดยเฉยๆไปเฉยๆมาผัดประคุณก็ไม่มี ถ้าทํา 4ๆๆแยะๆไม่ค่อยอะไรหรอกเราไม่เก่งเราไม่อยากทําไม่หนักไม่อยากหนักก็ ยิ่งจะต้องอยู่เดี๋ยว กลายเป็นอัตตานั่นแหละมากกลายเป็นเสพบําเรออัตตาอยู่ด้วยอาการอยู่บําเรออารมณ์ตัวเองที่ชอบน่ะอยู่บางทีก็สงบบาง ฝึกจะเป็นวิจัยวิจัยไม่ถึงขั้นสําพดชงไม่ชํานาญไม่ถึงขั้น คิดจนหัวบวมคิดตรอบโลก Globalization มาคิดเลยโลกนี้จะต้องคิดก็แมะเอามาวิจัยเอาคิด ยกศีอริยะนี่ถ้าไม่งั้นเค้าเป็นโรคเส้นประสาทอะไรก็ไม่รู้ไปเอามาเรียนมันใหญ่โตเกินน่ะ พุริสเสเวรานานนานเพราะมันมีอัตตาใหญ่เชื่อตัวเองเชื่อภูมิตัวเองแล้วก็วิเคราะห์ ก็จะชื่อว่าดักจริงๆเนี่ยอาตมาพูดนี่ฟังจริงอาตมาก็ไม่รู้เนี่ยเฉาะช่วยไป นานเหมือนกันเหมือนกันนะเพราะภูมิธรรมหรือสภาวะธรรม สังโยชน์สังโยชน์ 3 ถ้าคนสังโยชน์ 3 นี้แล้วได้เป็นโสดาหลัก 8 ภูมิ 8 ของโสดา 4 4 หลัก คีนะนิริยคีนะเปปปิคีนะปิตตะปิตตะอ่าคีนะนิริยคีนะปิตตะกะหรือไงแล้ว มีปานะเอ่อเป็นนักทุกขตินี่ 4 ภูมิ 4 ความหมายนี่ถ้าเรารู้ว่าไอ้อย่างนี้มันเป็นอารมณ์เป็นความเป็นสัตว์โลก ออัตติวินิบาตนี่ว่ามันตกต่ําจนไม่มีที่จะต่ํากว่านี้อีกแล้วนะถ้าเรา สนับสนุนปรายนะอีก 4 นี่ 8 คุณธรรม 4 อย่างนี้เป็นการอ่านปรมัตถ์ถ้าไม่มีญาณอ่านปรมัตถ์ของเรา ไม่เที่ยงจะเจริญไปสู่ข้างหน้ามันเป็นลักษณะอย่างไรก็มาอยู่ที่สังโยชน์ เรียนรู้ภาคประพฤติศีลพรตศิลปัตตะสกายะก็คือเราต้องรู้อารมณ์จิตของเรานั่นแหละนี่น่ะคือ เมื่อคุณรู้แล้วคุณก็ตั้งแต่ฉันจะต้องจัดการเจ้าเนี่ยไอ้ นิสกายะของคุณคุณต้องรู้สกายะของคุณของใครของมันไม่เหมือนกันเจตดิ์ไม่เหมือนกัน ฝึกปรือตนเองมีหลักเกณฑ์แล้วตั้งหลักเกณฑ์ให้ตัวเองแล้วปฏิบัติถ้าคุณ ลดได้มันก็กลับมายักยื้อยักอีกจรมายังยำซ้ําอีกเอาเอาไอ้กรรมกิริยากรรมอย่างนี้กายกรรมอย่าง สิ่งแวดมีสิ่งมีประโยชน์มีประโยชน์มากมีสิ่งแวดล้อมมีอาหารธรรมะสปายะมันพาเจริญหมดเลยอย่างนี้งี้แหละขนาดนี้อยู่ในมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีครบ ไม่สงสัยไม่ลังเลเห็นชัด อาปิกโสดาบันแล้ว 85% แล้วเป็นโสดาแล้วอย่างไม่งงไม่สงสัยรู้สภาวะในกายกายในกายของกายนอกกาย กายในกายนอกนู่นกายในกายของกายในอ่านี่ถามใครไม่ถามมาถามโพธิราชไปถามคนอื่นมันก็ไม่รู้ เรามีกายเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันมองออกมา 5 เรียกว่ากามภพอยู่ข้างนอกเนี่ยเกษบุคคลเป็นวัตถุเป็นสิ่ง สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประชุมของกาย ดาวขนาดนี่เกี่ยวนี่เกี่ยวข้องทุกพุทธสถานทุกกับเค้ารับรู้ ก็หลับไปคุณได้เท่ากายเป็นจักรวาลน้อยของคุณขนาดนึงอะไรบ้างอะไร 1กก ะ, นน น, น อก, น, อะไร 2 อะไร 3 อะไร 4 คุณ ความเป็นลำดับความอะไรต่ออะไรอย่างได๋นั่น